ครับน้ำมัสการหลวงพ่อค่ะคือเวลาปฏิบัติมันก็มันก็มีที่ว่ารู้เราแต่ว่าถ้าเราใส่ตั้งใจปฏิบัติมากมันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าเราก็สร้างอังฉากให้ตัวเองมีทั้งตัวเราที่เข้าไปเป็นผู้รู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีตัวเรา เมื่อเมื่อจะทํามันก็มีตัวเราเนาะพอจะไม่ทํามันก็มีตัวเราอยู่ดีคือเราไม่ทำํำคือจริงๆเนี่ยเวลาเราหนีเนี่ยเราหนีตัวเราเนี่ยพอหนีจากจุดนูน้นมันก็มาเจอจุดนี้หลวงพ่อยกตัวอย่างนะเช่นบอกว่าถึงว่าเวลาจะพูดอะไรเนาะมันมีความรู้สึกว่าเราพูดอีกละทีนี้ก็คิดใหม่บอกเอ้ยทั้งนั้นไม่พูดดีกว่าตรงที่พูดอมืมันก็เป็นตัวเรา แล้วบอกว่าทั้งนั้นไม่พูดดีกว่าไอ้ที่ไม่พูดก็ก็ยังเป็นตัวเราอยู่ดีจริงๆอ่ะการพูดนะถ้าถ้ า, ถ, าถ้ารู้เท่าทันว่าที่กำลังพูดมันเป็นสังขารปรุงแต่งอย่างเนี้ยมันก็ไม่เป็นตัวเราแต่ถ้าพูดไปแต่หลงหมายถึงว่าพูดด้วยความหลงเนาะจะพูดแต่เรื่องราวแต่ไม่รู้ว่าเราในกำลังพูดคือถ้าไม่รู้ว่าเรากาลังพูดเนี่ยตรงเนี้ย มันหลงไปเป็นเราแต่ว่าถ้าถ้าพูดไปพูดไปก็รู้เนี่ยว่าเออมันก็เป็นสังขารปรุงแต่งอย่างนี้ไม่เป็นตัวเราหรืออีกมุมหนึ่งบอกว่าทั้งนั้นไม่พูดดีกว่าเพราะว่าพูดแล้วมันเป็นตัวเราทุกทีไม่พูดดีกว่าไอ้ตรงที่พูดว่าไม่พูดดีกว่ามันก็เป็นตัวเราได้นะถ้าถ้าไม่รู้เท่าทันว่าไอ้ที่กำลังพูดว่าไม่พูดก็ได้ มั น, ม, นมันอยู่ตรงที่รู้เท่าทันนะรู้เท่าทันไม่หลงไม่หลงเพราะนั้นถ้าหลงเมื่อไหร่มันก็เป็นตัวเราหมดเลยแค่แค่พูดคำเดียวก็เป็นตัวเราหมดแล้วถ้าหลงเนาะแต่ถ้าไม่หลงก็ก็พูดไปเถะถือว่าเอาังเอาสังขารมาปรุงมาแต่งเนาะมาพูดมาคุยธรรมะมาคุย เ, เรื่องโลกเรื่องงานเรื่องการก็ก็ไม่หลงไปตรงนี้มันมันมันละเอียดอ่อนมากนะเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่า การฝึกสติก็คือการให้รู้เท่าทันในสังขารที่กําลังปรุงแต่งอไม่ว่าแค่กําลังคิดก็รู้เท่าทันว่าอ่ะกำลังคิดอยู่ไม่ว่ากําลังพูดก็รู้เท่าทันว่ากําลังพูดไม่ว่าการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายเนาะมันเคลื่อนไหวก็ฝึกรู้เท่าทันการรู้เท่าทันก็ไม่ใช่ว่าอมเอาเป็นเอาตายเนาะต้องให้รู้เท่าทันคือให้มันหลงก่อนนั่นแหละแล้วถึงรู้มันจะต้องหลงก่อน แล้วจึงรู้อย่างนี้ถือว่าถูกต้องแต่ถ้าว่ากลัวว่าจะหลงกลัวว่าจะหลงตรงนั้นแหละมันก็เป็นตัวเราเป็นผู้กลัว เ, ออเพราะนั้นทำเป็นปกตินะโยมเนาะคือจะพูดจะทำจะคิดทำเป็นปกติเดี๋ยวเวลามันหลงขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่าว่าหลงไปยึดหลงไปเป็นละออตรงนี้แล้วก็สนุกมากเลยเวลาหลงแล้วรู้เนี่ยตื่นรู้ขึ้นมาไงแต่ถ้ามันหลงอยู่ก็ก็ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ามันหลง แต่ยังไงก็ตามมันก็ต้องรู้อยู่ดีแล้วพอรู้นั่นแหละนั่นแหละคือโอ้โหเปลี่ยนหลงเป็นรู้เลยแล้วแบบเบิกบานเลยคือมันจะทำให้รู้จักเป็นอย่างดีว่าหลงเป็นอย่างไรรู้เป็นอย่างไรทีนี้รู้กับหลงมันก็เป็นของคู่กันอยู่แล้วเนาะเพราะมันไม่เที่ยงก็ฝึกรู้ไปพยนมก็นมนสุขคำของหลวงพ่อค่ะที่บอกว่าให้รู้สิ่งที่ปรากฏ อะไรที่มันปรากฏขึ้นมาก็ให้เรารับรู้ไปตามนั้ น, นอย่นี้ค่ะมันมันต้องปรากฏก่อนเนาะมันต้องปรากฏก่อนเพราะเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรปรากฏมันก็ก็ไม่รู้จะรู้อะไรแต่พอมันปรากฏปับ๊บ ก, ก็ก็รู้ก็เหมือนกับการดูจิตอนะการดูจิตเนี่ยคือคือมันจะต้องเกิดอารมณ์ในทางจิตก่อนแล้วจึงรู้เช่นสมมติว่าเนี่ยจังะระหว่างเราคุยกันนี่เนาะระหว่างเราคุยก็คืคอปกติสมมติว่ามันเป็นปกติ คือยังไม่มีโกรธยังไม่มีโมโหยังไม่มีอะไรขัดใจมันก็กปกติแต่ทีนี้พอคุยไปคุยไปมันรู้สึกขุนเคืองในใจอะไอตรงนั้นแหละมันต้องขุนเคืองก่อนแล้วจึงรู้ว่าอ๋อมันขุนเคืองแหละหรือว่าคุยไปก่อนแล้วมันขัดใจกันและความเห็นไม่ตรงกันก็ให้มันเกิดเป็นความรู้สึกขัดใจก่อนแล้วจึงรู้ ไม่ต้องระมัดระวังมากเพราะว่าการระมัดระวังนั่นแหละคืออัตตาตัวตนเป็นผู้ที่คอยรักษาเป็นผู้ที่คอยรักษาจิตตนเองเพื่อให้จิตดีนะแต่ทีนี้ถ้าไม่ระมัดระวังมากก็คือเหมือนกับว่าดำรงชีวิตอย่างปกติคุยก็ปกติอะไรก็เป็นปกติแต่พอมันเกิดอะไรขึ้นในใจตรงนั้นแหละแล้วจึงรู้ตรงเนี้เขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการการฝึกสตินะแล้วก็จะเกิด อ่ะปัญญาในภายหลังเองนะแต่เบื้องต้นก็คือเหมือนกับว่าฝึกสติไปก่อนนะอย่าไปอะไรมันมากอย่างเงี้ยสติต่อเนื่องวันนี้ก็ใช้อ่าหัวข้อเดิมเมื่อวานก็ใช้คําว่าจเจริญสติให้ต่อเนื่องเพราะความต่อเนื่องเนี่ยที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าทําให้เป็นลูกโซ่เนาะเป็นลูกโซ่คือให้มันแบบมันเป็นข้อตอคือต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยเรื่อยอะไเนี่ยนะแต่ว่าหลวงพ่อเทียนสอนว่าทําเล่นๆอย่าจริงจังอย่าซีเรียส แล้วกอ็อย่าอยากได้อยากมีอยากเป็นนะเหมือนกับท่านสอนท่านสอนก็คงแบบว่าเออให้รู้ตัวรู้กายรู้ใจนะจะเดินจะนั่งจะนอนจะยืนจะคู้จะเหยียดจะเคลื่อนไหวโดยวิธีใดๆนะก้มเงยหันซ้ายหลย่ขวาถอยหน้าถอยหลังถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาว ะ, ะห่มเสื้อผ้าห่มถ้าผ้าก็เรียกว่าห่มจีวรเนะาะสะภายบาทให้รู้สึกตัว าญาติโยมก็เนี่ยเวลาแต่งตัวใส่ผ้าเนาะผัดหน้าทาแป้งในร่างกายเคลื่อนไหวเนาะก็รู้สึกรู้สึกเนี่ยการการที่ฝึกให้รู้สึกตัวแบบเนี้ยเพื่อให้เกิดความเคยชินนะในการที่จะรู้สึกตัวเพราะว่าเมื่อก่อนมันเคยชินแต่ลืมตัว <c oughs> เคยชินแต่ลืมตัวตอนนี้ก็มาฝึกให้รู้ตัวเป็นนิสัยใหม่อืมก็เบื้องต้นก็ฝึกให้ได้แค่นี้แหละแต่ว่าเดี๋ยว ถ้าเราฝึกไปด้วยแล้วก็ฟังนะฟังธรรมะจากผู้รู้ผู้อะไรเนี่ยเขาจะมาบอกเพิ่มเติมในเรื่องของออให้เกิดปัญญานะว่าปัญญาเนี่ยปัญญาในทางธรรมะเป็นอย่างไรทีนี้เมื่อได้ยินได้ฟังเราก็มาเทียบกับสภาวะธรรมที่มันก็คือผ่านอารมณ์มาหมดแล้วแหละทุกคนเนี่ยเคยผ่านมาหมดแล้วอาการอย่างไรในใจก็ผ่านมาหมดอาการที่เกิดขึ้นในกายก็ผ่านมาหมดทีนี้เวลาครูบาอาจารย์ท่านสอนเรื่องเรื่องไตรลักษ มันไม่ยากแล้วเพราะทุกคนก็รู้ได้อยู่แล้วว่าอ๋อทุกอย่างมันก็มีความแปรปรวนเนาะออสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมันก็โอ้ไม่คงที่สักอย่างเริ่มเข้าใจแต่ตัวปัญญาที่จะให้มันเฉียบขาดก็คือว่ามันเป็นเรื่องรับความจริงได้ใจยอมรับความจริงได้คือมันเป็นจริงยังไงอ่ะมันแสดงไตรลักษณ์ยังไงคือใจไม่ทุกมันยอมรับแต่ทีนี้เรา เร า, ถ, าถ้าใจยังไม่ยอมรับเนี่ยลองดูตอนนี้ก็ได้เนี่ยสมมติว่าเออเข้าใจหมดแล้วแหละเรื่องธรรมะเนาะอะไรเกิดขึ้นมันก็ดับไปก็เรียกว่าท่องนิพรือเลยทำํทำนานมากแต่ใจมันยังไม่ยอมรับไงเวลาเกิดการเช่นเนาะเวลาเจ็บไข้ไม่สบายแรงๆรุๆรนแรงหน่อยมันรับไม่ได้อยากให้หายเร็วๆอยากให้หายอยากให้หายพอมันไม่หายตามใจอยากมันก็เป็นทุกข์ อ, อ่า ตรงนี้มันเป็นตันหาคือคือมีความอยากให้หายพอมันไม่หายตามใจนึกมันก็เป็นทุกข์ขับแค้นใจโมโงดกหิตรำคาญนี่มันก็ผ่านพาโลไปแบบสารพัที่จะเป็นแต่ว่าถ้าใจมันยอมรับจริงๆอ่ะมันก็ไม่หวั่นไหวต่อต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมันป่วยก็รักษากันไปเนาะหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลวงพ่อกำเขียนบอก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โเราฟังเสียงของท่านแล้วนะรู้สึกโล่งนะแบบเหมือนกับได้กําลังใจอ่ะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ อ, อ่เอท่าอาจารย์พุทธทาสเออมันเช่นนั้นเองแต่ถัดตามันเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองอือาจารย์เ อ, อที่เป็นผู้ที่ผ่านแล้วเนี่ยท่านพูดแบบนั้นอนะคล้ายๆว่าเราได้รับการปลอบใจเนาะแต่ตัวท่านเองเนี่ยมันมันพ้นไปหมดแล้วแหละก็เลยมาพูดเป็นภาษาให้ฟังว่ามันไม่เป็นไร แต่จริงอ่ะตัวท่านอ่ะท่านคงไม่ได้นั่งท่องหรอกว่าไม่เป็นไรอ่ะคือไม่ต้องพูดเลยอ่ะคือรู้อย่างเดียวอแค่รู้แค่รู้ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องอธิบายเลยมันก็พ้นจากความปรุงแต่งไปเนี่ยเะฉะนั้นก็ฝึกนะฝึกฝึกเนี่ยจากที่ใจมันยอมรับได้ทีละหน่อยทีละหน่อยทีละน่อยเใจยอมรับได้แค่ไหนก็คงแค่นั้นเพราะว่าเราไปบังคับใจให้ยอมรับก็ไม่ได้เพราะใจก็เป็นอมันก็เป็นอนัตตาของมันเออ ก็เพียนเนาะเพียนแต่สิ่งที่เพียนก็คือเนี่ยเพียนได้มากก่อนที่จะตายอะ่ะคนเรามันตายทีนี้ถ้าเพียนมากๆนะรู้เท่าทันมีปัญญามากเนี่ยเวลามันเจอศึกสงครามตอนตอนนั้นอะ่ะตอนเจ็บตอนป่วยตอนพลัดพรากจากของรักเนี่ยมันก็จะไ ด, ได้เอามาใช้ทันเวลาแต่ถ้าเราแบบเพลินไปกับโลกเนาะสนะุกเฮฮาไม่ได้พิจารณาเนาะขาดสติจน เป็นเพลินอะเพลินโลกอย่างนี้มันก็เสียเวลาเออทีนี้เราก็ก็ตัวใครตัวมันะนะเนาะเอออันนี้เรื่องของเป็นเรื่องว่ามันก็แบบบังคับใครก็ไม่ได้เนาะเราก็ได้แต่พูดให้ฟังอืพูดให้ฟังบอกให้ฟังเอะทีนี้ก็หลวงพ่อก็เกิดมาพอสมควรแล้วทีนี้มาคุยในประเด็นว่าเ อ, อเราปฏิบัติเนี่ยมันมันติดขัดมันมันมีปัญหาตรงไหนไหมมันอะไรเนี้ยก็ ก็ลองว่าเป็นคนๆก็ดีเพราะว่าจะได้จะได้ลองคุยกันดูว่าเออสามารถที่จะแก้อารมณ์เหล่านี้ได้ไหมแล้วก็คนอื่นถึงจะไม่มีอาการอย่างคนที่ถามแต่ก็ฟังไว้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะทำให้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่ารู้แล้วก็จะทำให้รู้แจ้งชัดยิ่งขึ้นจีรภ า, าใช่ะจีรภาอันนั้นก็ ดีนะคะเมื่อวานที่ได้คุยกันอืดีเลยโอ้โหเห็นเลยใจโยมแบบเบาแบบเข้าใจอ่ะคือมันสัมผัสกันได้เนาะเวลายโยมเข้าใจเนี่ยมันจะรู้ได้เลยว่าอ๋อใช่โยมเขาเข้าใจจริงๆอืมแต่ความเข้าใจตรงเนี้ยมันจะต้องไปไปเพิ่มก็คือว่าไปเจริญให้มากเพื่อที่จะมันรู้แจ้งไงเนาะรู้แจ้งรือชัดขึ้นไป แล้วก็แล้วก็ขนาดเดียวกันก็ก็จะเห็นตัวเองอยู่เรื่อยแหละพอตัวเองดิ้นมากอยากรู้มากตัวเองก็เป็นสิ่งถูกเห็นไปเลย <c oughs> เหมือนกับ <c oughs> เหมือนกับมองหาคนอื่นแหละตอนแรกก็ดูสิในห้องนี้มีใครบ้างไหมดูแล้วดูอีกก็ไม่เจออืมพอเข้ามารอบสองอา้าวเห็นตัวเองขึ้นมาเนาะเห็นตัวเองว่าตัวเองอยู่ในห้องแล้วก็ต่อไปก็มันจะชํานาญแล้วต่อไปก็อ๋อไม่มีใครในห้องเอาก็มีตัวเราบางทีงยังอยู่นอกห้องเลยยังรู้เลยว่าตัวเองยัยงไม่เข้าห้องเนี่ย หรืออยู่คาประตูก็จะรู้แล้วมันก็จะเห็นตัวเราเหมือนกับ ว, ว่าเป็นสิ่งถูกรู้ทั้งตัวแหละเออเป็นสิ่งถูกรู้ไทีนี้พอพอเห็นตัวเราทั้งตัวเนี่ยต่อไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจอะ่ะมันไม่พลาดไปจากสติกันไม่ไม่ไม่พลาดจากการเห็นหรอกมันจะรับรู้ว่าอเกิดอะไรขึ้นในในจิตในใจนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจมันก็เป็นแค่สังขารเป็นสิ่งถูกเห็นคือไอสภาวะเห็นเนี่ยสภาวะเห็น กับสภาวะที่ถูกเห็นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันเหมือนกับว่ามันเป็นคนละสิ่งเนี่ยแบบนี้มันทําให้เข้าใจเรื่องความหลุดพ้นได้เพราะว่าก็มันเห็นแล้วพ้นรู้แล้วพ้นรู้แล้วหลุดก็ก็ไม่เข้าไปเป็นเมื่อก่อนมันไม่เห็นเป็นแบบนี้มันก็เข้าไปเป็นพอเข้าไปเป็นเสร็จมันก็เป็นทุกข์เป็นสุขเป็นเราเป็นคือแบบเป็นเนื้อเดียวไปเลยแต่ถ้าเห็นแล้วก็จะเรียกว่าจะ ช่วยตัวเองได้เยอะแล้วแหละขันนั้นอ่ะ ต, ตอนนี้นะคะพอาจารย์การพิจารณาธรรมเนี่ยก็จะเห็นว่าเห็นว่าจิตน่ะมันเศร้าหมองเนื่องจากว่ามันมีการกระทบหลายอย่างในในงานในการการทํางาน น, นะเจ้าคะแต่ก็เห็นเมื่อมันพอมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะก็เห็นว่าจิตมันเศร้าหมองแล้วก็เห็นว่ามันมีผู้เห็นว่าจิตเศร้าหมองโยมก็ปฏิบัติเป็นลักษณะนี้ล่ะค่ะทุกวันนี้การทํางานการใช้ชีวิตประจําวัน ก็ไม่ได้อยู่ในรูปแบบมากมายเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเหมือนใช้ชีวิตเหมือนเหมือนว่าไม่ปฏิบัติธรรมนะคะพระอาจารย์โอกาสพระอาจารย์ไม่ทราบว่าจะถามอะไรดีเพราะว่าถามมันก็มีผู้ถามมีผู้สงสัยเข้าใจพอเข้าใจอยู่ก็ก็เลยเหมือนว่าเออมันมันอยู่ในโลกจะทำทาให้เหมือนว่ามันอยู่ในโลกโดยที่มันไม่ได้ทุกข์อ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากที่พระอาจารย์พูดนะนะคะเนื่องจากว่า เรายังต้องอยู่ในในในทถ้มกลางของสงครามของของชีวิตของทั้งโลกอะค่ะพระอาจารย์ข อ, อการพระอาจารย์ชี้แนะด้วยเจ้าค่ะก็ธรรมชาตินี้เนาะมันก็มีสองสิ่งอ่าถ้าจะเรียกว่าสิ่งหนึ่งเป็นทุกข์ก็ได้แล้วอีกสิ่งหนึ่งก็เป็นเป็นไม่ทุกข์ทุกทุกกับไม่ทุกเนี่ย เป็นเป็นธรรมชาติที่มีคู่กันแบบนี้หมายความว่าไอ้ทุกข์มันก็ก็เป็นส่วนทุกข์ไปนะแล้วก็มีการแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเนี่ยเรื่องทุกข์นะหเหมือนกับร่างกายจิตใจเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าเนี่ยร่างกายก็เป็นทุกข์จิตใจก็เป็นทุกข์แล้วก็มันก็เปลี่ยนแปลงให้ดูให้รู้อยู่ตลอดเนืองๆที่เห็นอยู่เนะที่มีสติที่เราไม่ได้รับเนี่ยก็จะรับรู้ได้ว่าอ๋อมันมีความเปลี่ยนแปลงนะ อันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นเป็นทุกข์สภาวะซึ่งมีอยู่จริงนะส่วนความไม่ทุกข์เนี่ยก็มีอยู่จริงเหมือนกันความไม่ทุกข์ความไม่เป็นทุกข์ก็มีอยู่ถาวรก็คือสิ่งที่ไม่ปรากฏสิ่งที่ไม่ปรากฏนี่แหละคือตรงนี้จะไม่ไม่ปรากฏแห่งทุกข์หรือปรากฏแห่งสุขหรือปรากฏอะไรทั้งหมดเป็นความไม่ปรากฏแต่ก็มีอยูอ่ทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จ แ, แล้วถ้าถ้าเข้าใจตรงเนี้ยมันก็ เขบกว่าโอเคมีปัญญาที่จะแยกแยะเป็นแล้วล ว, ว่าอ๋อสิ่งที่ปรากฏทุกอย่างนั่นคือทุกแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏนี่แหละคือความพ้นทุกแต่ปัญหาของคนปฏิบัติก็คือยังไม่เข้าใจคือแค่เรื่องทุก์ก็ยังไม่เข้าใจเนาะเฉะนั้นใหญ่ที่จะไปพูดเรื่องความไม่ทุกมก็ยากเพราะว่าแค่เรื่องทุกก็ยังไม่แจ่มแจ้งเนาะอืเรื่องเรื่องความปรากฏเนี่ยก็ยังไม่แจ่มแจ้ง พอไม่แจ่มแจ้งเสร็จเราก็ต้องต้องมาเรียนรู้เรื่องทุกข์เพื่อให้แจ้งในทุกข์ว่าอ๋อทุกข์ขณะจิตเนี่ยที่มันปรากฏปร า, ากฏเนี่ยก็เป็นทุกข์หมดทีนี้อ่าเราพูดเรื่องทุกข์กันก่อนเนา ะ, ะเรื่องทุกข์กันก่อนเนี่ยว่าทุกข์เนี่ยจริงๆมันก็เป็นทั้งสิ่งที่ถูกรู้และก็เป็นผู้รู้ผู้รู้เนี่ยอย่างสมมติเรายกตัวอย่างของโยมว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าเอออยู่ในโลกเนาะเห็นก็เห็นจิตเศร้าหมองใช่ไืม ก็บางครั้งบางคราวก็เห็นอ่าพอมีอะไรกระทบก็อจิตมันก็แสดงคือมีอาการเรียกว่าเศร้าหมองนะแต่ทีนี้อาการเศร้าหมองนั้นเนี่ยมันก็มีอ่ามีสิ่งหนึ่งก็คือมารู้ความเศร้าหมองนะะทีนี้อ่าพอมีรู้ความเศร้าหมองเกิดแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ปฏิบัติยั ง, ย, งยังไม่แจ่มแจ้งในทุกเนี่ยก็จะยังหลงยึดอะไรบางอย่างอยู่เช่นอ นะหลงยึดอะไรหลงยึดความเศร้าหมองว่าเราเศร้าหมองถูกไหมแต่ถ้ากรณีผู้ที่มีปัญญาระดับหนึ่ง<ม>ก็จะรู้จักว่าความเศร้าหมองมันก็เป็นแค่สภาวะทุกข์เป็นสิ่งถู ก, ถ, กถูกรู้ใช่ไหมแล้วก็ไม่หลงเข้าไปเป็นนะคือไม่หลงไปเป็นเราว่าเราเป็นผู้เศร้าหมองออือแต่ทีนี้พอมาขั้นนี้เสร็จมันต้องมีพัฒนาอีกขั้นหนึ่งว่าแล้วใครเป็นคนรู้ว่าจิตเศร้าหมอง อ่าทีนี้ผู้หลงผู้หลงอ่ะหมายถึงว่าผู้ที่รู้เนี่ยว่าจิตเศร้าหมองเนี่ยก็จะไปยึดยึดผู้รู้มาเป็นตัวเป็นตว น, ต ว, นว่าเราเนี่ยเรา เ, เราเร า, เรารู้ว่าจิตเนี่ยเศร้าหมองมา ก, กแล้วเราก็เหมือนกับว่าจะทํำยังไงเราเนี่ยจะทํำยังไงถึงจิตจะได้ไม่เศร้าหมองไม่เศร้าหมองอ่อาเห็นไหมมันก็เป็นตัวเราเนี่ยหมายความว่าไอตัวรู้เนี่ยมันก็มาเป็นตัวเราเนาะ ว่าเรารู้พอเรารู้เสร็จแล้วมันไม่แค่นั้นดิมันก็จะมีการดิ้นรนดิ้นรนคือมันจะดิ้นรนเกี่ยวกับจั ด, จดการยังไงไอจิตเศร้าหมองเนี่ยไอตัวจัดการเนี่ยตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวเราไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะเป็นผู้จัดการ <c oughs> จัดการก็คือว่าเนี่ยจัดการยังไงให้ความเศร้าหมองเนี่ยให้มันหายไปเร็วหรือจัดการยังไงนะให้ความเศร้าหมองไม่เกิดขึ้นก็มีเรานี่แหละที่เป็นเริ่มต้นนะจากเราเป็นผู้รู้ก็เลย ทั้งบนทั้งพูดทั้งภาคทั้งไม่พอใจในความเศร้าหมองเนาะแล้วรวมถึงนู่นไปเข้าวัดด้วยแนะ่ไปฟังธรรมด้วยนะเอาตัวเราไปฟังเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ขณะที่เราเป็นผู้รู้นะขณะที่เราเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆมันไม่มีเราเนาะแต่ว่าในหลงฝ่ายว่ายผู้รู้แล้วก็ไปยึดรู้มาเป็นเราว่าเรารู้ความเศร้าหมองแล้วเราก็เป็นทุกข์ แล้วเราก็หาอุบายไปหาอาจารย์คนโน้นเพื่อจะสอบถามว่าทำยังไงหนูจิตของหนูจะ ไ, ไม่เศร้าหมองลินล่นนะทีนี้พอถึงขั้นนี้เนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาถึงขั้นระดับที่ว่าให้เห็นว่าผู้รู้ไม่ใช่เราอ่า mm hmm. นะเนี่ยมันเป็นขั้นเป็นตอนคือให้รู้ <Yeah. S 2> ว่าไอ้ผู้รู้ที่ไอ้ผู้รู้จิตเศร้าหมองเนี่ยอ๋อมันก็เป็นสังขารปรุงแต่งเหมือนกันมันก็ไม่เที่ยง การดูการดูความไม่เที่ยงของผู้รู้ก็ดูยังไงอ่ะมันไม่ได้รู้ตลอดเวลานี่เนาะใช่ไหมบางทีมันมันก็ลืมไงมันก็ลืมรู้ไปว่าตอนนี้ยังเศร้าหมองหรือเปล่าเห็นมเพราะว่ามันมันดับไปแล้วแล้วก็พอนึกได้มันรู้ใหม่ว่าความเศร้าหมองยังอยู่เลยเนี้ยก็เข้ามาเป็นว่าเรารู้ว่ามันยังเศร้าหมองอยู่ก็ไปยึดเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าดูให้ดีเนี่ยไอๆไอผู้รู้เนี่ยนะ มันมันก็ไม่เที่ยงหรอกเพราะว่ามันหลายโอกาสหลายขณะที่มันหายไปคือมันดับไปเช่นอย่างเอาเอ า, เอาเรื่องความเศร้าหมองนี่แหละอ่ะเอาสมมติละขณะที่รู้ว่าเศร้าหมองเนาะโอเคเข้าใจเรื่องความเศร้าหมองได้ระดับหนึ่งแต่ก็ที่เป็นผู้รู้ยึดผู้รู้มาเป็นเราแล้วก็ทั้งบนทั้งภาคทั้งไม่พอใจอ่าแต่พอบางครั้งบางคาอยู่ไปอยู่มามีคนมาทักเรื่องโ น, น้นเรื่องนี้ทํางานเรื่องโ น, น้นเรื่องนี้ เห็นไหไอ้ผู้รู้นั้นนะไอ้ผู้รู้ว่าจิตเท่ามองมันดับไปแ ล, แล้วแล้วมันมารู้เรื่องอื่นแล้วนี่อ่ะก็จะเห็นว่าผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะทีนี้พอผู้รู้ไม่เที่ยงเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้เขาเรียกว่าทั้งสิ่งถูกรู้ทั้งผู้รู้ในระดับเนี่ยมันก็ยังเป็นสังขารปรุงแต่งถูกไหมยังเป็นฝ่ายทุกข์อยู่เพราะยังมีการเปลี่ยนแปลงยังมีการเกิดดับแต่มันมีธรรมชาติอีกหนึ่งซึ่งไม่ใช่สองซึ่งไม่ใช่ฝ่าย ไข่ทุกมันก็เป็นไายไม่ปรากฏเลยแม้กระทั่งไม่ปรากฏยังไงคือไม่ปรากฏเดี๋ยวตรงนี้มันอธิบายยากอ่ะมันอธิบายยากเพราะว่าไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรแต่ว่ามันเ ด, <c oughs> เดี๋ยวนะคือไอ้ฝ่ายนั้นมันเป็นฝ่ายทุกนะรู้จักแล้วเนาะเข้าใจค่ะพระอาจารย์พอไข่ไฟไฟทุกเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ฝ่ายไม่ทุกเนี่ยคือมันจะตรงกันข้ามกับฝ่ายทุกขคือฝ่ายทุกขเนี่ยมีการเกิด นะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับมีแล้วหมดไปอะ่ะเออพูดประมาณนั้นแต่ความไม่ทุกข์มันไม่ปรากฏสิ่งนี้เลยมันเป็นธรรมชาติแบบที่มีอยู่แล้วที่เป็นอยู่แล้วนะแต่มันมองไม่เห็นเพราะเหตุว่ามันไม่ปรากฏนะทีนี้ถ้าจะให้เข้าใจธรรมชาติที่ที่มันไม่ปรากฏที่มันไม่ทุกข์นี่นะต้องอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าไอ้ธรรมชาตินั้นเนี่ย ถึงมันไม่ปรากฏนะถึงไมนะ่ธรรมชาติที่ไม่ทุกเนี่ยถึงแม้ว่ามันไม่ปรากฏแต่มันมีความรู้เนี่ยตรงนี้ต้องเอามาเป็นคำอธิบายมีความรู้ก็คือว่าความรู้เนี่ยมันเป็นแค่ความรู้แต่มันไม่ปรากฏอาการของการรู้นะมันไม่อวดรู้มันไม่ปรากฏของความรู้มันไม่แสดงตนว่ามันเป็นผู้รู้ แต่มันได้แต่รู้แบบรู้ชนิดที่แบบไม่ปรากฏอะไรเลยนะทีนี้พอรู้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่ า, าว่าธรรมชาติเนี่ยต้องมีอยู่จริงถ้าไม่มีอยู่จริงแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ฝ่ายทุกเนี่ยมีอยู่ไฝ่ายทุกเนี่ยมีการเกิดดับเพราะว่ารู้ได้นี่ว่าไอ้ฝ่ายทุกเนี่ยมีการเกิดแล้วก็มีการดับพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะสามารถเข้าใจได้เลยว่าอ๋อถ้าธรรมชาติที่ไม่ทุกเลยที่ไม่ปรากฏเลยเนี่ยมองเราเนี่ยมองไม่เห็นก็จริงอ่ะแต่มันเห็นเราได้ไงมันเห็นมันเห็นเราที่เรียกว่าขันห้านี่เนาะอ่ะมันเห็นเราได้มันเห็นเราผู้รู้ผู้รู้ที่ที่ผู้รู้ที่ผู้รู้ที่เกิดดับอ่ะมันเห็นเราได้พอเห็นเราได้แล้วเนี่ยมันก็เห็นแจ้งรู้แจ้งก็คือว่าฝ่ายทุกเนี่ยมีทั้งเกิดมีทั้งดับ แต่ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเนื่องจากว่ามีความรู้จึงรู้แจ้งในทุกข์แล้วก็พอรู้แจ้งในทุกเนี่ยมันก็สามารถที่จะรู้จักตัวมันดีว่ามันอ่ะมันอ่ะเป็นธรรมชาติที่ไม่ทุกเพราะมันเป็นธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งแล้วมันอ่ะไม่มีวันที่จะเป็นธรรมชาติฝ่ายทุกได้เลยเพราะมันเป็นธรรมชาติคนละอย่างกันนะเป็นธรรมชาติอย่างเด็ดขาดมันไม่สามารถที่จะ เอาธรรมชาติที่ไม่ทุกมาเป็นธรรมชาติที่ทุกได้เออเพราะฉะนั้นมันก็ได้แต่รู้แจ้งรู้แจ้งเห็นแจ้งรู้แจ้ ง, จงเห็นแจ้งอยู่อย่างเนี้ยมี่ภาษาที่จะบรรยายในธรรมชาติที่ที่มันไม่เป็นทุกข์อ่ะอยากมากทีนี้เดี๋ยวท้าให้เห็นภาพนะตรงนี้น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะตรงนีเออ้เรื่องที่เมื่อที่เราพูดไปสักครู่เนาะเอาเอ า, เอาเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในใจก็ได้ง่ายดีตรงเนี้มันที่เขาเรียกว่าอาความทุกข์ในใจอ่ะนะ เช่นความความโกรธความไม่สบายใจความวิตกกังวลความเบื่อความเซ็งนะรวมถึงความสุขความปิติหรือพวกลังเลสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยเราเนี่ยพวกเรารู้จักแล้วแหละ ว, ว่ามันเป็นสิ่งเกิดจริงดับแล้วก็พอเราถามกันเนี่ยบรรดาในนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยถามว่าสิ่งนี้มันเกิดที่ไหนทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวว่ามันเกิดในใจมันหรือว่ามันเกิดที่ใจ ไอ้คำว่าใจเนี่ยโยมไอ้คำว่าใจเนี่ยแล้วกับสิ่งที่เกิดที่ดับเนี่ยตรงเนี้มันต้องแยกใ ห, ให้ขาดว่ามันเป็นคนละสิ่งกันนะเพราะเวลาเราพูดภาษาแบบสมมติอ่ะเราบอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดที่ใจหรือว่ามันเกิดในใจพอเป็นอย่างเนี้ยมันก็หัดหัดเขาเรียกว่าหัดเทียบความแตกต่างกัน <c oughs> ก็จะพบว่าไอ้สิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่ง แต่ใจเนี่ยซึ่งเป็นที่เกิดของมันน่ะมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งอ่ใจเนี่ยเป็นเพียงแต่เหมือนกับว่าเป็นเป็นที่ว่างๆเป็นที่ไม่มีอะไรแต่ความสู่ความทุกข์เนี่ยมันก็เกิดในนี้แหละเออเพราะฉะนั้นใจเป็นที่เกิดของพวกนั้นแต่ใจไม่ได้เกิดด้วยถูกไหมแต่เนื่องจากใจเนี่ยเป็นความไม่ปรากฏเป็นความไม่เกิดสิ่งใดเกิดในใจมันไม่ใช่ใจไง แต่ใจเป็นความไม่ปรากฏเป็นความไม่เกิดแต่ใจเนี่ยมันมีความรู้ก็หมายถึงว่าอะไรที่เกิดที่ใจใจก็รู้อะไรที่ดับในใจใจก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยใจเนี่ยคือเป็นความไม่ปรากฏเมื่อใจเป็นความไม่ปรากฏแล้วใจมันทุก์ตรงไหนอ่ะมันทุกไม่ได้เพราะมันไม่ปรากฏ เ, เพราะนั้นตรงนี้ก็จะแยกเป็นสองสองพาร์ทสองส่วนก็คือว่า ส่วนที่เกิดที่ดับมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ส่วนที่ไม่เกิดไม่ดับที่เรียกว่าใจมันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันไม่เคยคล้ายกันมันไม่เคยมันไม่เคยเป็นสิ่งเดียวกันมันก็ยังเป็นเป็นธรรมชาติที่สองสิ่งอยู่นั่นแหละคือคู่กันแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะคำว่าใจนะหลวงพ่อตรงนี้ต้องบวงแล้วไปก่อนว่าเป็นแค่คสมมติเรียกเฉยๆเพราะอาจจะเรียกชื่ออื่นก็ได้แต่หลวงพ่อ สมมุติเพื่อให้มันสอดคล้องกับภาษาที่ชาวบ้านเขาเรียกอ่ะก็บอกว่าเอออะไรก็เกิดในใจในใจหลวงพ่อก็เลยอธิบายเรื่องใจให้ฟังว่าใจจริงๆอ่ะมันเป็นความไม่ปรากฏแต่มันมีความรู้อ่ะพอมีความรู้ก็จะรู้จะเห็นใช่ไหมเห็นสิ่งที่เกิดในในใจเมื่อเห็นแล้วก็ได้แต่เห็นไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสิ่งนั้นอ่ะพอเป็นอย่างนี้มันก็แยกขาดมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันอ่ะ ก็จะพบว่าอ๋อฝ่ายทุกข์ก็คือสิ่งที่เกิดในใจส่วนฝ่ายไม่ทุกข์ก็คือใจนั่นเองถ้าปฏิบัติธรรมนะถ้าพบใจก็หมายความว่าเข้าใจเรื่องใจแล้วแหละ ว, ว่าโอ้ใจเนี่ยเป็นธรรมชาติเดิมแท้เป็นธรรมชาติดั้งเดิมนะเป็นธรรมชาติที่ว่างจากตัวตนเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากทุกข์แล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนเพราะพบได้ที่ใจใช่ไหม พบได้ที่ใจ ใ, ใจนี่แหละคือนิพพานคือใจไม่ทุกข์คือมันพ้นหมดแล้วพ้นทุกข์หมดแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็รวมลงก็คืออ๋อมันจบที่ใจจบที่ใจเนี่ยโยมจะทวนความเข้าใจของโยมว่าว่าสิ่งที่โยมเข้าใจเนี่ยถูกต้องหรือผิดหรือไม่ถูกไม่ผิดหรือไม่เป็นไรก็คือว่าแค่อธิบายเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าโยมเข้าใจแบบนี้คือว่าธรรมชาติมันมีสองสิ่งที่พระอาจารย์กล่าวตะกี้ คือถ้าเป็นผ้าภาษาทางทางโลกก็คือมีธรรมชาติหลงกับธรรมชาติรู้สิ่งที่โยมพูดตะกี้เนี่ยคือเป็นธรรมชาติหลงซึ่งธรรมชาติรู้ก็รู้แล้วว่าโยมน่ะได้หลงไปซึ่งโยมน่ะก็ไม่ได้มีอยู่จริงนั่นหมายความว่าธรรมชาติสองสิ่งนี้มีคู่กันเสมอเมื่อใจว่าธรรมชาติมีเพียงแค่สองสิ่งซึ่งไม่มีใครเข้าไปทาอะไรกับธรรมชาติเลยเท่านั้นก็จะไม่มีผู้ทุกข์ ก็คือจบที่ที่ธรรมชาติรู้ก็คือจบที่ใจที่พระอาจารย์พูดตะกี้นี้ไม่คะก็ถูกถ้าผิดก็คือไม่ใช่ก็คืออย่างเงี้ยค่ะเข้าใจว่าต้องแบ่งนี้อีกองแล้วว่าความเข้าใจที่พูดก็คือถูกแล้วเนาะค่ะค่ะแต่ทีนี้มันจะเหลือว่าความหลงเนี่ยเพราะว่ามันยังบางทีเนาะอย่างว่ามันก็ต้องพลัดหลงไปหลงไปเช่นพลัดหลงไปว่าอ่าเราเข้าใจแล้วอพลาดหลงไปว่าเราเข้าใจแล้วทั้งๆที่ตอนแรกก็บอกว่าเราไม่มีเนาะ แต่พอพอหลวงพ่อสรุปให้บอกว่าเออที่พูดเน่ยเข้าใจถูกนะแล้วก็มันก็หลงยึดทันทีเลยบอกว่าโอ้เราสรุปไม่ผิดเลยเราสรุปถูกเห็นไหมมันก็จะเกิดมีตัวเราเออมีตัวเราว่าเราพูดถูกเราเข้าใจแล้วใช่ไหยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่ให้มันสมุดเฉดจริงๆอ่ะคือต้องรู้ตัวเราถ้ามันเกิดขึ้นเนาะถ้ามันเกิดตัวเราขึ้นมาคือรู้เท่าทัน ว่าไอ้ตัวเราจริงๆคณะใช่ไหมใช่ว่าว่าไอ้ตัวผู้เข้าใจจริงๆมันก็คือสังขารตัวหนึ่งที่เป็นสิ่งถูกรู้เนาะค่ะถูกเอ่อเป็นสิ่งถูกรู้ถูกรู้ด้วยอะไรถูกรู้ด้วยใจนั่นแหละแล้วก็มันก็ความเป็นกูก็ล่วงพลอยคือมีมีหลายครั้งนะที่พวกเราปฏิบัติธรรมเนี่ยพอฟังอะไรบอกหนูเข้าใจเข้าใจหนูเข้าใจหนูเข้าใจหนูเข้าใจแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกับเออแล้วก็พอเดี๋ยวกับบ้านหนูจะเพียน ถูกเข้าเข้าใจอย่าพูดถูกเลยตรงเข้าใจแต่พอสุดท้ายก็ก็ เ, เรียกว่าตายแบบอะไรนะตายน้ำตื้นค่ะตายน้ําตื้นไปเลยอย่เพราะมันไปลองรับว่าเป็นหนูเนา ะ, ะแล้วก็ถ้ารู้ไม่เท่าทันมันก็ไปเป็นหนูไปปฏิบัติอีก<ะ>นั่นแหละเออตรงเนี้ยมันเป็นละเอียดอ่อนมากเลย<ะ>ตรงที่เราคุยตรงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นธรรมะที่มันเขาเรียกว่าขั้น ขั้นดับอาวิชากันเนาะดับหัวขบวนของปฏิจสมุบบาท<ช>น ะ, ะตรงนี้ก็โอเคก็ถือว่าคือโยมเนี่ยคือพูดถูกแล้ ว, ลวเราเรียกว่าปัญญาตรงน้นอ่ะโอเคเนาะร้อยเปอร์เตแล้วเถูกต้องแต่ที่มันจะหลงตรงนี้คือรู้เท่าทันพอมันเกิดตัวกูเนี่ยอาจารย์พุทธท่านบอกว่าเวลาเผลอมันก็เป็นตัวกูเนาะเวลาหายเผลอก็ตัวกูก็หมดไปเงี้ยส <า S 1> ทั้พร้อาจารย์<อ>จำแจ้งพ่อจารย์สาร